ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุอะไรที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนด้ยไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็น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 ไม่พร่าแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงดูทยำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสูอ้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแค่จนทา